เวลาต่อจากนี้ไปก็เหมือนทุกวันที่เขาปฏิบัติบูบชาเป็นการศึกษาภาวนาปฏิบัติการศึกษาการศึกษาให้ให้เขาถึงความจริงคือเขาถึงธรรมชาติ พระเจ้าจะสอนทวารทว่าทั้งหลายรู้จักธรรมชาติทว่าสิ่งทั้งหลายด้านปวงมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากตามธรรมชาติของมันแพสีบังคับให้มันเกิดมันกับบังคับบรัยมันเป็นเด้งตามธรรมชาติของมัน เป็นไห้เห่าเฮียนหูแห่งมันเข่ากับธรรมชาติรู้จักธรรมะรู้จักธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติของตะลายางตะลายางมันจะมีประจำอยู่ของตะลายางตะลายางเบียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบาวาภายนอกภายในในด้านกายด้านใจความหนาวความห่อนความเก็บความป่วยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมัน แต่มันป่วยมันป่วยกายมันบอดดิป่วยใจใจถ้าบ่ามีกิเลสมันก็ป่วยถ้ามันมีกิเลสมันยังป่วยใจป่วยบ่คือกายป่วยกายป่วยต้องฉีดยากินยาหายามาจินแต่ใจป่วยนั่นต้องหาธรรมะมารักษาเรียกว่าธรรมโอสถ ด, ด้วยการเดี้ยนลู ให้เขาถึงความเป็นจริงแห่งถ้ำทั้งหลายจะมีอยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บอมิญุภุดเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บอบิญุภุรเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นของไผ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะิดตรงละสิ่งทั้งปวงไป <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งมด โดยธรรมชาติของม่นนั่นแหละเรียกว่าธรรมะถ้าหากเขาเลี้ยนรูตวนีแลวเข้าก็จะรู้สึกรู้จึกามะาแก่มะแก่ใจใจห้าหนี่ถ่าบ่แก่มันกับบัญใจที่งโง่ใจของห้าวท่าห้าบ่ใสปัญญาเข้าไปแก่ใจห้าก็จะกโง่ ถูกจิเลตมันหลอกลวงถูกจิเลตมันโกหกอ่าหลอกไปได้สิ่งที่บดีมันคิดว่าสิ่งนั้นดีเด้อสิ่งนี้ดีเด้อเล่าบานีใจของห้านั่นมันคือเด็กน้อยนี่คือเด็กน้อยจงได้ขนมนี่ล่ะแล่าบานีถ้ามันได้ขนมอะไรมันก็ไปวันน้เอมันไปสายมันก็ไปมันจะได้ขนม อันนี้ระวางใจเฮ้ากันกิเลสมันหลอกไปใส่เนกรไไปกิเลสมันท <c oughs> ่าไปไสกระไไปหลอกเหตุยังไงกับเหตุยัก็เหตุหตลอกไอ้ท่ำบาปกับท่ำหลอกไอ้เหุยังก็บเหตุพอมันบห่ห่ชายเหุจมีเหตุมันบ่โห่ถ้ามันโห่มันจะบ่เหตุเพราะฉะนั้นเรื่องใจ จึงเป็นเรื่องสําคัญกว่าเรื่องอื่น ๆ, ๆ, ๆ, ๆถามันโหแล้วมันจะเบเฮตบังขับไปมันเหตมันกับเบเฮตถามมันหูเช่นว่าไฟน้ำหอนมันหูว่าไฟนั่นเป็นของหอนน้ำเดือดคือ น, น้ำหอน <c oughs> บอกเหวมันจบบอกเหวมันจับ มันกบฏจับเป็นอย่างมันจะบวจับพอปัญญามันเปียงยังยานพะมันเคยถูกเคยถูกใหม่ถูกหลวกมาแล้วมันจึงยากบังคับเหตุมันกับเหตุพอบัญญาเป็นอย่างมันยันยานพอมันหูมันเห็นแล้วอานระวานใจเห่าถ้ามันรู้บาปลูนั้นลกรูสวรรค์แล้ว บังคับไปมันเห็ุบาปฟันกับวเหตุสิบังคับจะไงเหตุบัคับมันกับวธรรมมากระนตาทความผิดจะไงมันกับวธรรมพอปัญญามันญานอย่างมันญานนรกมันญานนรกมันจึงประกาททำความผิดนี่มันหมายถึงหู้ตัวหู้ตัวนี้แหละจะพ่ายเป็นลักยืน ยืนย่วาการที่ยิดของเห้าจะไปยูพูบไรพูบอะไรก็ตามมันกับไปจากตัวบ่อหูกับตัวหูนี่ล่ะถ้าหูแล้วมันกับบ่เห็ดในทางใ น, ในทางที่บดี <c oughs> ถ้าสิ่งนี้มมนดีมันมากี่เห็ดสิ่งนั้นนี่คือความเป็นจริงแห่ง อาการปฏิบัติธรรมเลี้ยนรู้จังสี่เข้าใจจังสี่จึงจะดูว่ารู้จแจ้งแล้วก็เห็นจริงรู้จแจง้งไงไหมถึงว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของโลกเดอ้อส่วนนี้เป็นสมมุดโลกเดอ้อนี่เรียกว่ารูจแจ้แจ้งแล้วบัดีเห็นจริงมั้ยเห็นจริงตามความเป็นจริงจริงจังได จริงเนี่นี่หมายถึงบอมีอ่หยางบอมีหยางจึงจัดไปเป็นของจริงคำ <c oughs> ม, ามี่หยางนั่นหมายถึงว่าเป็นตัวสมมุิอยู่ถ้าหาข้าโล่แจง้งว่าสิ่งนั้นเป็นส ม, มุดเห็นจริงตามค้อมว า, มางเปล่าแล้วจึงในเข้าใจว่าโล่แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ไม่จริงเราสามตอนคือรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็ถ้าจะไปเห็นรู <c oughs> ้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าต้องเห็นมาจริงทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่ทับเกิดทุกกรณ์ถ้าไมใจเขาเกิดทุกกรณ์ถ้าหากเขาไปเห็นโทษตัวนี้เขาจะไปเห็นทุกข์คือกัน ทุกเพราะอยังทุกเพราะปาถนาบใบดังใจทุกเพราะคิดสิ่งไหนบริระะสมปาถนาตัวนี้แหละตัวเป็นเหตุตัวปัจจัยปาถนาสิ่งไหนบ ร, รสมบรสมปาถนามันเึน็เปลี่ยนถูกเพราะฉะนั้นมันเปลียงจัง ยังได้ดังใจมันจังบ่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเขาอยู่อย่างสัน่นถ้าที่วางคาบเหตุปีนอย่างอื่นมันเป็นอะไรมันเป็นของเขาอยู่อย่างสัน่นเช่นเหตุงานบวแล้วมันสิคากกรไปอย่างไหนตะเว้นตกนี่ป่าชนายังสี่ก็เป็นทุกหรื อ, อ มันบอนมาไปไดกังขึ้น <c oughs> บางคราวเห็นบันแจงมันยังบ้นแจงนีนก็เป็นทุกข์กันเพราะฉะนั้นเรื่องเจงสี่มันเป็นเรื่องนิดๆน้นนอยๆแต่ห้ากลับบ่หูเป็นยังก็จังบ่หูเพออราะบ่เคยได้คิดคิดบ่ถึงคิดบ่หอดมันไก่โผ่ มั่นไก่จนบ่สามารถจะคิดไปถึงใดแต่ความจริงเน่ยมั่นไก่เกินไปมันบ่อเปนไก่เกินไปมั่นไก่เกินไปคือขนตาห้ามนีเรื่องเห็นกัยกให้ตาแต่ว่าขนตาอยู่ใกล้ตามั่นเพียงเจงบ่เห็นเพราะมันไก่เกินไประวังควมลู่ก็ควบหลงเข้ากันเป็นยังก็เจงบ่ลูเพราอมั่นไก่เกินไป ถ้าหากเขาอยากดูเห็นไหนถอยออกแค่น้อยถอยมาพี่หน้าจาักหน่อยเท้าก็จะดูละ่ะเบียดซึมมันเขาอยากเห็นกายจะเห็นขนตา <c oughs> ไปด่าสร้งกระจกปั๊บสนับเทาก็เห็นแล้วขนตาไม่ต้องไปเบิกอย่างอื่นไงอันนี้คือกันเพียงแต่เอ้ <c oughs> เาตั้งสติดูก็ปั๊บเฉนไม่กระู่ล่ละเห็นแล้วรู้แจง้งเห็นจริง ตามความันหญิงนว่าทุกทุกอย่างในตัวตนสกุลกายของเท่านี้หละทุกคนทุกซัตจะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเจ้าของนี่ลอยผอเส้นอันนี้ก็ของเทาอันนี้กัของเทา อันนี้ก็ของเขาอันนี้ก็ของของเขาเมื่อตัวนี้เขาไปยึดมันเท่านั้นละ่ะเป็นทุกข์เป็นพื้นไปกับบ้านท่านพี่เพราะฉะนั้นเฮ็ดจังไหนเฮ้าจังสิดับทุกตัวนต้องไปได้ก็คือให้พี่หน้าออกไปถึงเป็นลักษณะสมุดอันนี้สมมุดวาเด้ออันนี้สมสมุดวาทุฬาเด้อเข้าสิไปเคียบไปโกรธก็บบ่อใดพร้อมไปสมุด เทาที่ได้สมรวจมานีหลายพบหลายาติหลายกลรมหลายกันเพราะว่าบริษัทหลุดผุพงออกไปเช่นเห็นหนังกระาษมันมักจะเห็นเห็นตัวสมมุติมันเห็นบรทหลุดมันเห็นบริษัทหลึกเห็นตื่นตืบางบานไก่ถ้าใครได้อาเดียเจ้าพนพนจะเห็นลึกเดเห็นลึกเห็นไก่เห็นไก่ในตี่ไม้หรือว่า เห็นกันนั่นสิไรเห็นกันเห็นตัวเห็นตนนังนสิเข้าเห็นนี่คื่อว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเห็นขาวกล่าวขาวไปเห็นดํากว่าดําไปเห็นคนง่ามกว่าง่ามไปเห็นขี้ลายกว่าวขี้ลายไปอันนี้คือความเห็นของเราประกอบไปด้วยกิเลสแต่ความเห็นของพระเยซูเป็นเห็นอย่าี่เห็นมา จะดำจะขาวจะสูงจะต่ำจะอ้วนจะผอมก็คืนสอวามีหนังห่มยวมัวเป็นทีสุดยอดขึ้นกันนี่อาการขึ้นกันบริแตกต่างกันนี่เพิ่นจะเห็นต่างกับเข้าเปลี่ยนคืเห็นต่างกับเข้าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเห็นจริงเข้าเห็นบ่จริงเมื่อเห็นบ่จริงก็จะเกิดความรังเล เมื่อเกิดความรังแรกความสงสัยกับา ม, มานะความรองเร้ความสงสัยตัวดีจะเป็นบอ่อเกิดแห่งความหุดหยิดเป็นบอ่อเกิดแหง่แหงความยึดมัน่นถือมัน่นก็คือเกิดขึ้นจากตัวนี้เพราะฉะนั้นรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเห็นกันเห็นกันพบนากันพ่อหนากัน แทนที่จะเห็นตามเลือกเข้าไปก็บอลเห็นหนังโย่ก็โย่แค่หนังนั่นล่ะบอลทะลุหนังก็ไปเห็นยิ่ ง, งก็ยิ่งอยู่อยู่แค่ยิ่งนั่นล่ะบอลทะลุยิ่งก็ไ ป, เ ห, ไปเห็นชายก็อยูยแ่แค่ชาย่ล่ะบอลทะลุชายก็ไปมันก็ได้เห็นแต่แค่นั้นแล้วที่นี่ถ้ามองดึกของแบบพาเดียใจะราจะมองดึกต้องแบบกว่านั้นเลือกอย่างไรว่าดี เลือกจนถึงความเป็นจริงเช่นหนังเข้าอยู่สีเวลาเวลาทีน่าเป็นเบิร์จะบ่ได้เบิร์แต่แค่หนังเบิร์ในหนังเข้าไปในตัวตนสการกายเขาไปแยกแยกาการต่างเบิร์นแห่มันเห็นนั่นเพื่อเห็นจริงตามเป็นจริงเนื้อบันเข้าเนี่ยเห็นจริงตามโลกสมมุติมันก็เลขติดอยู่นี้ทำมัเตียนจีนหรืหจะแก้ไม่ได้มันกับโมปเพราะมันติด ฉะนั้นเวลาเข้าปฏิบัติใส่สติใส่ปัญญาเป็นเครื่องค้นคิดเห็มันชัดเจนเห็นมันเข้าใจเบิง้งหรือว่าเออมองเห็มันทะลุ ก, กับไปถึงส่วนลึกถ้าบ๊อบมี่นังห่มอยเดียบไปยังไงคนเท่าบ๊อบมี่เหมงนะ่งงา ไว้ห ม, มองสะอาดไว้หม่มองเทียนบอกบะไรนี่คือเป็นกฎแทงข้อบังคือเดียวเดียก ว, ว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดว่าธรรมชาติชาติไปว่าขวบเกิดธรรมะไปว่าของเกินเองเกิดเองโดยธรรมชาติเมื่อร่วมสองอย่างนี้เข้าไปก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมีอยู่ในแอดกฉะนั้น ไมได้เขานั่งเพียร์หน้านั่งประเมินนั่งเบิงหวาเออความหลงของข้าวอยู่แค่พิบตาตัว น, นี้บ่ได้อยู่หลายบ่ได้อยู่มากไม่อยู่แค่พิบตาเท่านี้พิพตาตังปั๊บมันก็หลงแล้วความหลงนี่เป็นยังไงบ้างมื่นสมองกับมืน สติกัเมิดปัญญากัเมิดเมิดมัดสุแนวนี่เรียกว่าสติหนาปัญญาถึกเพาะสามารถจะค้นคิดชิงลึกๆ ล, ก ล, ก ล, กลงไปคนใดเห็นยังกระจามต้องพระเจ้าสอนว่าให้มองตะลุเข้าไปดำนัดนดนภายในเห็นรถจะไปยูเครถ ดูแค่ส่วนประกอบของรถพุ่นนะเห็นคนจะไปติดด้วแค่หนังแค่ตะลุหนังก็ไปจะไม่ยังไงนี่ห ม, มายถึงการเข้าไปคิดเข้าไปพิจารณาเข้าไปเตือนความจริงแล้วมันจะเป็นบางสี่เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นย่อมเป็นธรรมชาติของมันเบอร์วีเดหามได้ พระเจ้าจึงสอนเรามันเป็นธรรมชาติวัยผู้เฒ่าแก่รรรราขาไขวัยเรียกว่าบัดนี้เล่าบัญญัติเป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่นี่สัจจะประจักษ์ในกับโลกเป็นอย่างสั้นเพราะฉะนั้นข้ า, าพเจ้าหน้าโดยความปล่อยวางเอออันนี้มันสมุนไพรังเส้สมมุนไพรังสี่ข้าก็เดินไปตามสมมุติอดีตสมุนไพรังสี่เนาะอดีสมุนไพรังสีเ่เนา ะ, นะ เมื่อฮัลโหลยังสั่นมันกลาเป็นลู่ตัวหนึง่งเกิดมาอว่ารลูเ่เหนือส ม, มุิกลาเป็นมีตมดตัวเองมมดกรรมคมนันที่หมายในความลดพ ล, ลุดพลจากอย่างบัยกลดพลจากความยึดความถือลดพลจากถือเล่าถือเขาลดพลจากความซัวทั้งปวงนี่เดียวมันลดพเปียมัยังบมันยังลดพลไปพราสติปัญญามันเกิดขึ้น มโนติปัญญาม เ, น เ, นม เ, เม เ, าเกิดแล้วมันก็จะมองเห็นชัดเจนว่านี่คือความเป็นจริงแห่งทงทั้งหลายจะเป็นราษฎร์ส่เท้าตั้ ง, ง, งสิ้นเขาสิ้นไสวาสบายๆๆเออนียังทันมาเทากับหู่านไปไม่เทากัเห็ น, นยังทันมากกวกเขาใจพเพราะเข้าเป็นผู้เบิงเพราะเขาเป็นผู้รักษาฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลายการปฏิบัติธรรมา หรือเป็นการชำนาญจิตใจด้อมเป็นอุบายให้ห้าวนางค้าอย่าเพิ่ก้นัดยินดีเที่ยงบ่เกิดบ่ห้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเห็นว่าขี่น้ามันเดี๋ยวมนเป็นความว่าเที่ยงมันก็เปลี่ยนไปต่างธรรมชาติของมันไว้พยายามแก้ไขมันหน่นี่เจียงเรียกว่าจะจะทํามันมี่ยุ่งซีเห็นยุ่งซีพอใจยุ่งซีทั่วไปยุ่งซีเป็นที่ตลอด ฉะนั้นพวกเข้าทั้งหลายควรศึกษาหาความจริงศึกษาให้มันหูความจริงแล้วก็พิ้นหนาให้เป็นเปลือกความจริงแล้วเขาก็จะเห็นแต่ของจริงเพราะมันจริงตั้งแต่จิดพี่เขาก็จะบ่มอย่างติดเห็นหนังกระบอกทะลุหนังเข้าไปอมองเห็นม้องบ้องทะลุหนังเข้าไปบอยติวแค่หนังนั่น เห็นความเป็นจริงตามจริงแล้วมั่นกระจับเข้าใจโดยธรรมชาติของมันท่าเสียขันหาตัว น, นี้บกเคยินหลีนไหลก็ไผ่เป็นนาทีของเขาเดินทางไปโดยโดยต้นมันของมันเองเมื่อเดินไปถึงขึ้นมาแล้วเขก็กว่างทิมนั่นคือที่สุดของการเดินไปเป็นลักษณะความแก่วามเจ็บแจะเป็นลักษณงสัน่นคอยพวกเข่าจงหลายจงเจอะใจ แลกกับมาฝึกปฏิบัติใจให้มันพ้นจากสมมุนตร์ตนใหญได้เมื่อใจมันพ้นจากสมุติตต์ตัวแรงมัมกจะเป็นนิมุตตอารมณ์พ้นจากสมุติทั้งหลายโดยที่ว่ามิยังสงสัยเลยรู้แจง้งเห็นจริงเกิดมาในขณะชัดเจนว่ามิยังปิดตฝังสงสัยอ่เมื่อนี้ใช้เวลามากเวลาสุควรเจเวลากอนเวทีไว้ที่เพียงแค่นี้